มันมันมันไม่มีสติพอที่จะมาระมัดระวังมาคอยควบคุมดูแลคำพูดของเรามันก็พูดออกไปบางทีพูดเสียบแทงใจคนอย่างนี้ภาษาพานีเขามีเรียกว่าพูดแบบโ oh, อมาสวาสดอันนี้ภาษาพระโอ้โหมาเคยพูดให้พวกเราฟังแล้วแม้ไปอ่านพระสูตรตรงนี้โอ้โหแทบอ้าปากอะไรไม่ได้เลยพระสูตรตรงนี้ ผูเจ้าหูเอาหนักเลยสําหรับพระเนี่ยนะเอาหนักเลยพูดกระทบคนก็ไม่ได้กระทบให้คนรู้สึกอะไรอย่างง้นอย่างงี้อะไรโอ้แทบไม่ได้เลยนะถือว่ามีความผิดทั้งนั้นเลยเป็นอาบัตอย่างง้นเป็นอาบัตอย่างงี้เลยโอ้โหรายละเอียดมากเลยเพราะคําพูดเนี่ยคนเราเนี่ยการพูดเนี่ยพูดผิดโอกาสผิดเยอะมากนะีเพราะนั้น ข้อสี่เนี่ยโดยเฉพาะโอมาสวาเนี่ยพูดกดคนอื่นเขาพูดขมคนอื่นเขาพูดอะไรต่ออะไรโอ้โ oh, หพุทธเจ้าถึงมีรายละเอียดเนี่ย mm hmm. เยอะว่าไอท้ที่คุณฟังเนี่ยสิ่ข้อสี่เนี่ยมีแค่สี่ข้อนี้อันนี้น้อยมากนะ <c oughs> ว่าอย่างอื่นเนี่ยคําพูดนี่มีรายละเอียดเยอะกว่านี้อีกอี ก, อกหลายสิบเท่าเลยนะอันนี้ก็ในเรื่องของการพูดอ่อนหวานนะตรงขัางข้ามกับคําหยาบอันนี้เพอร์เจอ กูลองคิดสิว่าอะไรน่าจะตรงข้ามกับเพอร์เจอร์อันนี้บอกว่ามีสาระใช่นะแต่พูะเจ้าท่านใช้อันนี้ท่านใช้ว่าพูดด้วยปัญญาว่าไอ้ส่วนใหญ่พวกทีเพอร์เจอร์เนี่ยแสดงว่าปัญญาอ่อนชอบพูดอะไรแบบปัญญาอ่อนหรืออ่อนปัญญาคือผู้ เอาจะเอาสนุกมั่งพูดอะไรอยากจะพูดก็พูดออกไปอ่ะไม่รู้มันจะยังไงอ่ะพูดพูดพูดพูดมาออกไปถึงเพอเจอร์ไงบ่งทีไร้สาระไม่เป็นเรื่องไม่เป็นราวแล้วก็พูดไม่มีคนฟังก็จะพูดพูดไปสมมติเนี่ยอาตมาสอนพวกเราอยู่พูดไปหลับกันละนาวแล้วก็ยังพูดอยู่นั่นนะอย่างเงี้ยเฟอเจอนะหลับกันเป็นตับไปหมดเลย มันปากอยู่หรือไงยังพูดอยู่นั่นน่ยนะอันนี้เพราะฉะนั้นน่ยก็จะต้องพูดแบบ เ, เป็นประโยชน์ขึ้นมาใช่ไหมแตอนนี้มันจะเป็นประโยชน์ได้เนี่ยมันต้องมันต้องมีสติปัญญาในการที่จะพูดในสิ่งนั้นๆเพราะฉะนั้นจะแก้การพูดเพ้อเจ้อได้เนี่ยต้องหาดมีสติปัญญาในการพูดว่าเออจะพูดยังไง แล้วมันเป็นสาระมันเป็นประโยชน์ขึ้นมาแล้วถึงบอกว่ามันจะสนุกก็ได้มันจะบันเทิงก็ได้ไม่ได้ไหมายควา ม, มาแม้พูดมีสาระแล้วโอ้โหคนฟังนี่แต่และคนฟังแล้วหน้าตึงเคร่งเครียดไปหมดเลยนะพูดมีแต่อะไรอะ่ะจริงจังจั ง, จ ง, จงแล้วพูดอะไรแต่ละทีก็โอ้โหนะเคร่งเครียดไปหมดมันไม่จำเป็นหรอกนะพูดนี่แหละพูดศีลพูดธรรมะ ในคาถาวัตถุเนี่ยนะสิบข้อในในเรื่องของการพูดอะ่ะโอ้จะพูดดีๆอะไรเยอะแยะไปที่ควรจะพูดมีพูดได้แต่ต้องใช้ปัญญาเพราะฉะนั้นพูดโดยใช้ปัญญานะอย่าพูดโดยใช้สมอง <c ười> คือสมองเนี่ยมันไม่มีปัญญามันมันเป็นอวัยวะอย่างหนึ่งนันเองนะในการที่จะให้ ใช้ในการความคิดขึ้นมาแต่มันไม่ได้มีปัญญานะมันปัญญานี่มันอยู่ที่จิตจิตของคนนั้นตัวจิตของเราเนี่ยที่จะมีสติว่าเออพูดไปนี้ดีหรือไม่ดีเหมาะหรือไม่เหมาะควรหรือว่าไม่ควรนะเพราะฉะนั้นอันนี้จำไว้ว่าจะแก้การเพิร์เจอได้ก็คือพูดอย่างมีปัญญาอันนั้น คือวจีทุจริตแล้วนะแล้วก็วจีสุจริตตอนนี้อันที่สซึ่งเออที่อาตมาอยากจะพูดมากเลยคืออันนี้แหละนี่แหละพระเจ้าใช้คําว่าวจีสาระก็มีอยู่สีอย่างเหมือนกันคือวจีทุจริตวจีสุจริตเราเราเจอบ่อยเรายังพอจะได้ยินอยู่บ่อยๆนะแต่วจีสาระเออยังไม่เคยจะได้ยินฮะ เพราะทนคุณดูนะนอกจากการพูดแบบแบบทุจริตแบบไม่ดีการพูดแบบดีเรากที่เราฟังมาแล้วแต่แม้ในการพูดดีเนี่ยแหละยังจะต้องพูดดีเนี่ยจะต้องมีสาระด้วยแลนนี้ท่านก็จะแบ่งแหละแบ่งสาระออกเป็นสี่อย่างว่าไอ้พูดมีสาระเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะหนึ่ง พูดท่านใช้คำว่าศีล ส, สาระ <c ười> คือพูดไปแล้วเนี่ยให้มันมีเนื้อหาเนี่ยนะสาระนี่ก็คือเนื้อหาเนี่ยเนื้อหาให้มันเป็นไปด้วยศีลพูดแล้วเนี่ยหรือศีลลกรฐานั่นเองพูดให้ให้เป็นไปในทิศทางของศีลคำว่าศีลหมายถึงพูดไปแล้วให้คนเนี่ยคนที่เราพูดด้วย พูดไปแล้วให้เขาได้ยินได้ฟังเรื่องของการหัดอดหัดงดเว้นกิเลสไอ้ น, นั่นกิเลสไอ้ น, นี่หรืออะไรที่ไม่เหมาะไม่ควรไม่ดีเนี่ยเออหัดเลิกเลิกบางสิหัดลดลดบางสิ่อะไรเงี้ยเนี่ยคือศีลสาระพูดไปเพื่อให้ให้งดเว้นจากสิ่งที่มันชั่วสิ่งที่มันเลวสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันไม่เหมาะไม่ควร เพราะฉะนั้นในการพูดที่จะมีประโยชน์เนี่ยมีสาระคือคุณก็ต้องพูดให้เป็นไปด้วยศีลอย่างเงี้ยส่วนศีลเนี่ยศีลอะไรอะ่ะศีลอย่างไงอะ่ะก็แล้วแต่ฐานะของคนนั้นพูดกันในฐานะของศีลห้าพูดกันในในฐานะกับศีล8พูดในฐานะของศีลสูงก็ น, นั้นเป็นศีลสิบเป็นศีลพระปฏิโมกอะไรก็แล้วแต่แต่พูดแล้วให้มันเป็นไปในทางลดละ มอย่างนี้บางทีนี่แทนที่จะพูดแล้วเนี่ยไม่เป็นไปในทางรถละเลยบางทีพูดไปแล้วอา้าวอย่างยกตัวอย่างง่ายๆบางทีเนี่ยพูดเรื่องอาหารการกินอย่างเงี้ยโอ้โหโอ้โหแต่ก่อนเนี่ยฉันชอบกินไอ้นั่นมากเลยนะกินไอ้ปากปุ้งไฟแดงโอ้โหอะไรข้าวหมูแดงอะไรอย่ ข้าวข า, วหาหมูอหมูสเต๊ะ อ, อะไรยาก่อนนะ mm. โอ้โหพอพูดนะ mm. พูดเนี่ยเนี่ยปฏิบัติทำด้วยกันนี่แหละ mm. พูดไปพูดมาน้ํายายใหญ่หญ mm. พูดล้กระตุ้นทําให้โอ้โหยิ่งอยากจะไปซื้อยิ่งอยากไปกินไอ้นี่พูดไปแล้วมันไม่ลดละแล้วมันพูดไปแล้วมันจะยิ่งอยากจะไปหาซื้อหรือยิ่งอยากไปกินเงินโอ้โหไอติม ร้านอะไรนะดอกข้าวนี่โอ้โหเขามีตั้งกี่รถนะโหเยอะมากเลยนะอนตาตมานึกไม่ถึงว่าเขาจะทำได้เยอะขนาดนั้นสิบยี่สิบชนิดเลยนะไอศครีมเาอะใช่ไหมเอามาคุยอเลยนะโอ้โหเนี่ยรถไอ้นั่นก็นดีนะรถเสาวานรถอัญชันรถช็อกโกแลต ไ, ไม่รู้มีหรือเปล่านะนะไม่รู้นะอันนี้ ขออภัยนะถ้าพูดผิดไปคือคือจะยกตัวยอย่างว่ามันมีรสต่างๆโอ้โหยิ่งพูดก็ฟังไปแล้วกิ่งโอโ้โหโอ้โหโอ้โหเลยทำให้ชักละชักละชักน้ำลายสอละชักอยากจะ ก, กินและคือถ้าพูดอย่างนี้แล้วมันไม่ลดละละมไม่เป็นศีลสาระละและ้วนะมันสาเละมันมันจะเลอะเทอะไปแล้วคราวนี้ก็เลยโอ้โหยิ่งพูดเนี่ย มันยิ่งไปสะกิดใจคนที่เราพูดด้วยให้เกิดความอยากเกิดตัณหาเกิดอุปทานยิ่งโอ้โหอยากจะกินอยากจะกินนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยคื อ, ค, อคือการพูดแบบไม่มีศีลสาระเพราะนั้นอันนี้จะต้องรู้ว่าพูดแล้วเป็นไปเพื่อความลดละนะเป็นไปในด้านของศีลนี่แหละคือการงดเว้นงดเบ้งสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควร ถ้าจะพูดในสิ่งที่ที่ดีในสิ่งที่ถูกต้องเป็นสาระแล้วพูดหนุนให้กินอย่างเงี้ยเอออย่างนี้ได้นะอย่างเช่นกินข้าวกล้องดีกว่ากินข้าวขาวกินอะไรนะกินถัว่วเอาดีกว่าดีกว่ากินอะไรนะ คื อ, ค, อคือเราพูดประโยชน์ของถั่วนะว่ามีประโยชน์ยังไงบ้างพูดแล้วคนรู้สึกเออเนี่ยอยากจะมาหาันมากินถั่วให้มากขึ้นหรืองาเงี้ยโอ้โหมีประโยชน์ยังไงพูดแล้วเขาโอ้โหเป็นสาระนะเป็นคุณค่านะกินไปแล้วจะดีอย่างนี้นะน้ําตานี่ควรจะลดนะมันมันีน่ควรจะลดนะอาหารลดจะจัดควรจะลดลงนะส่วน เออกินให้มันจืดขึ้นกินธรรมชาติให้มากขึ้นอย่างเงี้ยดีเนี่ยเน่ ย, น, ย น, นะคือข้อของศลีลสาระพอพอเราหัดพูดอย่างนี้ได้โดยมีสติในการระวังพูดอย่างเงี้ยถ้าใครเริ่มทําอย่างนี้ได้เนี่ยนะข้อที่สองพรเจ้าตรัสว่าจะเป็นสมาธิสาระสมาธิก็คือว่าพอเรามีสติใช่ไหม เราพยายามพูดให้รู้ในสิ่งที่ควรลดละเพิ่มในสิ่งที่ควรเพิ่มอ่ะอันนี้มีสติในการพูดพวกนี้แต่พอพูดพวกนี้ไปแล้วเนี่ยถ้ามาถึงขั้นสมาธิสาระเนี่ยก็คือว่าไม่ใช่เก่งแต่พูดแต่เราสามารถมีได้สามารถทําได้อย่างที่พูดนะ แล้วไอ้สาระในสิ่งที่เราพูดนั้น น, น, น่ะน ะ, นะมันมันเป็นจริงมันสามารถที่จะแบบว่าอ่าใครเอาไปพืชใครเอาไปกระทำแล้วสามารถเป็นสมาธิก็คือว่าสามารถที่จะมั่นคงได้สามารถจะมั่นคงนะจะเป็นประโยชน์กับคนนั้นอย่างถาวรได้นะไม่ง่อนแงน่นไม่คลอนแคลนนะจะเป็นประโยชน์ชนิดที่เรียกว่า ถ้าเปรียบกับการถือศีลปฏิบัติธรรมก็จะเที่ยงต่อการตัดสรุ่เลยคือมันจะไม่แ ป, ปรปลวนไปเป็นอื่นเลยสาระในสิ่งที่เราพูดนั้นไปว่ามันชัดเจนเลยมันถูกต้องเลยถ้าคุณทำย่างี้แล้วคุณจะได้ดีแบบนี้แบบนี้แบบนี้ไม่ใช่ประทําทอย่างนี้แล้วอะไรนะก็เรียกว่าโคนเนาะโคนไปอย่างนี้ยอด ไ่เป็นอย่างอื่นไม่มีหรือถ้าลากเนี่ยโคนเนี่ยถ้าลากไปอย่างนี้ยอดก็จะเป็นไปตามอย่างนี้มันจะต้องไปด้วยกันนะอันนี้คือคือข้อที่สองนะสมาธิสาระส่วนข้อที่สามท่านใช้คำว่าปัญญาสาระดูนะจริงๆคุณจำง่าง่ายๆข้อที่หนึ่งศีลข้อที่สองสมาธิพอข้อที่สาม ปัญญาแต่ไม่ใช่ปัญญาธรรมดานะถ้าเป็นปัญญาที่ถูกต้องเป็นปัญญาของพุทธเนี่ยต้องหมายถึงปัญญาที่ได้จากการประพฤติปฏิบัติมาประพฤติปฏิบัติจนรู้ได้ด้วยตัวเองเข้าถึงจิตเข้าถึงใจของตัวเองและนะอันนี้ถึงจะเรียกว่าปัญญาแท้ไอ้ที่ฟั ง, ฟ, งฟังคนอื่นเข้ามาแล้วเขาบอกว่าอย่างงั้นก็ดีเขาบอกว่าอย่างงนก็ดี อันนี้ยังยังไม่ชัดเจนหรอกยังไม่จริงทีเดียวเพราะถ้าจะจริงนี่มันจริงสำหรับคนที่พูดให้เราฟังแต่ยังไม่จริงสำหรับเรานะเพราะโดยเนื้อแท้เรายังไม่ได้พิสูจน์หรือว่าเรายังไม่ได้ทดลองด้วยตัวเองจริงๆเพราะฉะนั้นบางทีนี่ยยังไม่รู้หรอกว่าจริงไหมเพียงแต่ว่าอ้าวเราอาจจะฟังเราอาจจะเคารพผู้ที่พูดเราก็เชื่อว่าจริง คุณคุณได้แค่เชื่อเท่านั้นเองแต่คุณยังไม่เชื่อมั่นหรอได้แค่เชื่อธรรมดาเพราะเอาเราเขารู้ี่พูดจะพูดะว่ า, วาเออท่านทำมาได้จริงเราเชื่อว่าถ้าทำไปอย่างเนี้ยได้จริงๆแน่ยังเก่งก็อยู่แค่สมาธิเท่านั้นเองมันยังไม่ถึงปัญญาหรอกสมาธินี่ยังเก่งก็แค่กกำลังฝึกกระกำลังปฏิบัติกำลองอา่ากลังพยายามกระทาดูซิว่ามันจะ มั่นคงได้จริงไหมถ้าคุณทำได้มั่นคงจริงคราวนี้ปัญญาคุณเกิดแน่เพราะมันมันจะสรุปได้ไงต่อให้ทำมาผิดด้วยทำมาแล้ ว, วสิ่งนั้นผิดเนี่ยเอ้ยไม่เป็นอย่างนั้นแล้คนนี้มาพูดมาบอกเราว่าอย่างเงี้ยดีนะพอเราทำไปแล้วมันไม่ดีมไม่ใช่อะ่ะจะมาถึงยกตัวอย่างอะ่ะที่ผู้เจ้าท่านบำเพ็ญทุกรกรกิริยาถึงหกปี ท่านก็ต้องปฏิบัติจริงๆอะ่ะปฏิบัติไปปฏิบัติไปเยอะทั่งรู้ชัดเลยในที่สุดคือปฏิบัติต่อไปตายแน่นี่มันผิดทางเั้นท่านก็สรุปได้ว่าแน่นอนแล้วว่าหนทางที่ปฏิบัติอยู่หปีนี้มิชชั่ทิฏฐิผิดที่ผิดทางไม่สามารถทําให้บรรลุมรรคผลได้อเพราะนันท่านทิ้งเลยเห็นไหมอันนี้ท่านก็รู้ความจริงนะ ท่านเกิดปัญญาขึ้นมาจากการปฏิบัติแม้คุณปฏิบัติผิดทางมาก็เหอะแต่เห็นไหมพอถึงที่สุดปับ๊บโอ้โหรู้เลยสรุปได้เลยว่าอย่างนี้ผิดพระเจ้าท่านก็เคยเยกที่ในอะไรนะเราจะได้ยินบ่อยๆตีพระสูตรที่บอกว่าอย่าเชื่อแม่เป็นกูบาจารยของเราอย่าเชื่อแม่กลรัมสูตรอ่ะ นะอย่าเชื่ออะไรต่างๆอ่ะเยอะแย ะ, ยะเลยแต่สุดท้ายพระเจ้าท่านตบลงด้วยคําพูดอะไรรู้ไหมสุดท้ายเนี่ยว่าอย่าเชื่อนั่นอย่าเชื่อเนี่ยก็คือลองเอาแบบปฏิบัติดูก่อน <c oughs> ไอ้ที่เขาบอกว่าดีอย่างนั้นดีอย่างงน้นอะไรอย่างเงี้ยนะบอกลองไปปฏิบัติแล้วถ้าปฏิบัติแล้วไม่เป็นอย่างที่เขาพูด <c oughs> นั่นแหละอย่าเชื่อ <c oughs> ไม่ใช่นึกเอาเองนะเออเชื่อ นึกเอาเองเนะว่าไม่เชื่อไอ้ยอย่างนี้ยังมั่วอยู่อย่างนี้ยังไม่ใช่เป็นสัตว์จะยังไม่ไม่เป็นความเป็นจริงต่อเมื่อเราได้พิสูจน์ด้วยตัวเราเองแล้วพอพิสูจน์แล้วเนี่ยผิดก็รู้ว่านี่ผิดละถูกก็รู้ว่านี่ถูกนี่แหละคุณมีปัญญาเกิดขึ้นปัญญาที่จะรู้ผิดรู้ถูกแยกผิดแยกถูกได้เนี่ยคือปัญญาสาระละละ ปัญญาที่จะรู้ชัดเจนรู้ความเป็นจริงจากการที่เราได้ลงมือได้ปฏิบัติแล้วเพราะนั้นข่าวนี้ถ้าคุณพูดจาอะไรคนที่มาถึงปัญญาสาระนี่ที่ที่เหมือนสุจริตของข้อที่สเนี่ยที่บอกว่าพูดด้วยปัญญานั่นแหละคุณจะได้อันนี้แหละมันจะสามารถพูดด้วยปัญญาที่ไม่ผิดไม่พลาดไม่เพี้ยนอะไร นะโอกาสที่จะผิดพลาดนี่แทบจะไม่มีแล้วนอกจากว่าบางอย่างที่ที่อาจจะอะไรอะรู้ไปไม่ถึงเท่านั้นเองแต่ถ้าโดยปกติที่ปฏิบัติมาแล้วรู้รู้มาด้วยตัวเองแล้วพูดไปเนี่ยไม่มีพลาดหรอกเพราะตัวเองมีแล้วอะทํามาได้เองแล้วอะพูดไปเนี่ยมันไม่มีทางผิดหรอกเพียงแต่ว่ามันอาจจะ ถ้าไม่เก่งมันอาจจะไม่รอบบ้างพูดไปแล้วมันไม่ไม่รอบครอบพองไงแต่ผิดนี่มันไม่ผิดหรอกสุดท้ายนะวจีสาระข้อสุดท้ายก็คือวิมุติสาระคือพูดโดยลักษณะที่อะไรไม่ใช่เป็นไปแบบปัญญาละแต่พูดไปนี่วิมุตหลุดพ้นเลยถ้าพูดกับคนอื่น ก็พูดให้ให้เห็นเลยว่าการวิมุต ห, หลุดพ้นมีจริงแล้วพูดจะสามารถจะพูดให้เห็นถึงคุณค่าผู้เห็นถึงประโยชน์ด้วยเพราะว่าถ้าปฏิบัติมาจนกระทั่งหลุดพ้นจริงใช่ไหมมีมรรคผลจริงสามารถพูดวิมุติสาระได้ถูกต้องเราไม่ต้องคิด ไ, ไกลๆใครเลิกอบายมุกมาได้ถ้าคุณเคยเล่นมาคุณเคยติดมาแล้วคุณเลิกมาได้คุณมีวิมุติจาก อภัยมุกม่ได้จริงคุณสามารถพูดเป็นวิบุตรสาระในเรื่องของอภัยมุกได้เยอะแ ย, ยะไปอย่างเช่นที่เขาเหน่วยที่เขาไอ้ป้องกันยาเสพติดอะ่ะที่เขาเอาพวกที่ติดยามาแล้วอะ่ะแล้วก็สามารถเลิกเลิกยาเสพติดได้แล้วที่เอามาพูดให้คนอื่นเขาฟังแล้วเขาก็เลิกได้จริงๆแล้วด้วยนะเนี่ย คนเนี้ยเขาเนี้ยเขาจะพูดไล่ไปเลยเนี่ยพอพูดเรื่องยาเสพติดใช่ไหมเขาจะพูดเป็นศีลสาระให้ฟังว่าโอ้โหเนี่ยโทษของพิษภัยของยาเสพติดเป็นอย่างนี้เนี่ยเขาพูดได้เลยว่าควรจะงดเว้นจากไอ้ยาเสพติดอย่างงี้ได้ละนะแล้วทํำยังไงจะแก้ปัญหายังไงนะถึงจะทําให้ใจเนี่ยเข้มแข็งมั่นคง <c oughs> มั่นคงขึ้นมาจะได้ไม่ไปแบบว่า ไม่ไปติดพวกยานี้โอ้โหบางทีจะพูดเล่าวิธีต่างๆนะสามารถที่จะแนะนำเนี่ยให้คนฟังคนที่บางทีในพวกเสพยาด้วยกันเนี่ยนะให้ฟังว่าเนี่ยใช้วิธีอย่างนี้นะแล้วมันจะทําให้ไปลองปฏิบัติ ด, ดูแล้วเนี่ยมันจะเกิดผลเกิดโอ้โหความรู้เกิดสติปัญญาอย่างนี้ขึ้นมาจนกระทั่ ง, งเลิกได้สําเร็จเลิกได้เด็ดขาดอ่าพวกนี้นี่ประกาศวิมุตูทได้เลย นะพวกที่เขาพ้นมาได้จริงเขาประกาศวิมุตตะเลยเนี่ยติดมาตั้ง 20-30 ปีนี่ยังเลิกได้นะทุกวันนี้ไม่ต้องแตะไม่ต้องยุ่งอะไรเลยแม้แต่นิดเดียว อ, อย่างนี้เนี่ยเขาสามารถจะพูดวิมุตสาระอันเป็นประโยชน์อันเป็นสาระของการหลุดพ้นมาได้เขาสามารถจะพูดได้อย่างถูกต้องได้อย่างชัดเจนได้อย่างอะไรเกิดผลเกิดประโยชน์อย่างสูงเลย มันเหมือนกันถ้าในที่นี่ของพวกเราอะ่ะบางทีถ้าใครเนี่ยเลิกเนื้อสัตว์มาได้จริงคุณแน่ใจว่าคุณเลิกมาได้จริงก็ทำนองคล้ายกันคุณสามารถพูดตั้งแต่ศีลสาระมาเลยใช่ไมเพราะโอ้โหเลิกเลิกเนื้อสัตว์เนี่ยดูนี่เท่ากับได้ถือศีลข้อที่หนึ่งแล้วนะเนี่ยได้งดเบ้นจากการเบียดเบียนอะไรคุณก็กพูดไปนะเสร็จแล้วก็มีสมาธิสาล ว่าโอ้โหเนี่ยถ้ า, เ, าเลิกเนื้อสัตว์มาได้เลยนะโอ้โ ห, โโหคุณจะ อ, อะไรอะ่ะหนักแน่นจะบ้านโค้งขึ้นนะอีกน้อยเนี่ยจะไม่ต้องไปกินเนื้อสัตว์อีกเลยอะไรอ่าอนะแล้วก็สามารถจะแนะวิธีการอะไรต่างๆให้เขาได้ด้วยเนี่ยมีปัญญาวันเนี่ยจะแก้กิเลส ต, ตัวนี้เนี่ยมาพ่ มันไปติดรสชาติไปชอบเพราะไอ้นั่นไอ้นีน่นะโอ้โหนะ น, น่ชอบกรอบๆชอบมันๆชอบชอบอะไรอะราดพริกแล้วก็เนี่ยถ้าไม่กินได้นี่นะใช้วิธีนี้ใช้วิธีนี้แก้แล้วมันเลิกได้ผมใช้มาแล้วะนะทุกวันนี้ผมเลิกได้เด็ดขาดแล้วไม่ต้องไปกินเนื้อสัตว์อย่างนี้อีกเลยโอ้โหสามารถประกาศ ความมีวิบตทในเนื้อสัตว์ออกมาได้เลยนะเพราะนั้นอันเนี้ยนะเป็นสี่ข้อของวจีสาละซึ่งวันนี้นะพูดในเรื่องของคำพูดสัส่วนใหญ่จริงๆรายละเอียดเรื่องของคำพูดนี่มีมากมันยังมีมุมอื่นอีกเยอะแยะนะแม้แต่ในตะกี้ที่บอกกระถาวัตถุ10บใช่ไหมมีถึงตั้ง10บข้อเป็นรายละเอียด เรื่องคําพูดนี่เยอะมากโดยเฉพาะยิ่งถ้าเอารายละเอียดพูดขมกันบ้างพูดแบบอิจฉาริษยาบ้างพูดแบบประชดประชันบ้างพูดแบบกระทบกระเทียบพูดแบบยั่วยั่วยาว้าพูดแบบอะไรอะยั่วยวน <c oughs> ยวย <c oughs> เฮ้ยเยอะแยเพราะฉะนั้น ถ้าใครเนี่ยไม่ระวังในเรื่องของศีลข้อ4ีในเรื่องของคำพูดแล้วนะคนนั้นเนี่ยก็จะทำบาปในเรื่องของศีลข้อ4ีเนี่ยได้มากเพราะนั้นบางคนอาจจะไม่ต้องแปลกใจนะว่าบางทีเนี่ยทำไมเรา<ฮ>แบบโอ้โหเอ๊ทำไมรู้สึกแหมพูดไปแล้วเดี๋ยวมันจะกระเทือนบางคน <laughs> บางทีเอ๊ะทำไมเราเอางี้ก็แล้วกันเอ๊ะบางทีทําไมเรามีโรคัยอะไรนะเอาตรงๆกันนะเอในปากเราทําไมมันบ่วยไปนั่นเจ็บไป น, นี่หรือว่าเป็นอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยบางทีเอ๊ะเนี่ยคุณต้องรู้นะบางทีมันก็จะต้องมีเกี่ยวเนื่องมาแน่ในเรื่องของวิบากกรรมที่เกี่ยวกับการพูดจาหรือเกี่ยวกับอะไรต่างๆแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเกี่ยวกับเฉพาะการพูดจานะ บางทีเราจึงจะต้องมาเป็นปัญหาอะไรเกี่ยวกับปากของเราบางทีเนี่ยคุณไปผิดสินข้ออื่นที่ไม่ใช่ข้อสีเนี่ยคุณก็มีโอกาสที่จะปากเป็นปัญหาได <c oughs> นะ้แต่ถ้าเราพูดกันโดยตร ง, ตรงพูดโดยไม่ไม่อ้อมไปในมุมอื่นนะส่วนใหญ่มันก็จะมีปัญหาในทำนองพวกนี้ ยิ่งแต่ใครเนี่ยไปดูพวกที่อะไรอะ่ะเขาพิการเขาอะไรต่างเนี่ยโอ้อาตมาว่าจริงนะบางทีมันไม่ไม่โดยตรงอย่างนี้แต่อาตมาบอกแล้วว่าคือไปเห็นอย่างนั้นแล้วเราเรานึกแบบตรงๆอะ่ะโอ้โหมันช่วยให้เรานี่ระวังคำพูดระวังปากเราได้เยอะเลยบางทีพอนึกจะอ้าปากพูดอะไรไปนึกถึงที่ไปดูเนี่ยโอ้โหเขาปากแหว่งบ้างปากโบบ้างพิการบ้างะนะ โอ้โหพอตื่ขึ้นมาแล้วโอ้โหจะเที่ยวไปด่าใครเขาจะไปเที่ยวไปว่าใครเขาจะเที่ยวไปพูดไม่ดีใค ร, ใครเขานี่นะรู้สึกโอ้โหมันผูกปากไว้เยอะเลยมันมันมันไม่กล้าที่จะพูดอะไรที่ไม่ดีที่เสียหายออกไปแล้วในทางตรงข้ามเลยพอเราระวังในมุมที่ไม่ดีเนี่ยในมุมที่ดีในด้านที่ดีก็จะทําให้เราพยายามที่จะเออพูดในด้านที่ดีเนี่ยให้มากขึ้น พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าเลยติใครก็ไม่ได้ว่าใครบ้างก็ไม่ได้ไม่ใช่นะติคนก็ติได้ว่าคนก็ว่าได้แต่บอกแล้วว่าอย่าเป็นคำหยาบสิอย่าเป็นคำส่อเสียสิอย่าเป็นคำที่ห้ามห้ามไว้อะใช่ไหมคุณว่าคนเนี่ยคุณว่าแบบคำสุภาพไม่ได้เลยจริงคุณอาจจะแบบ พูดนุมน่มมากคนไพูดนุมน่มๆาคนเออแหมคนมันโอ้โหนุ่มดีจังเลยนะมันอาจจะไม่รู้สึกก็ได้อะนะก็จริงแต่ก็เขาไม่ได้ไหมายความบอกแล้วว่าพูดคําสุภาพหรือว่าพูดคําอ่อนหวานไม่ได้ไหมายความว่าแหมต้องพูดหวานจ่อยเย็นเจี๊ยบเนี่ไม่ใช่อย่างนั้นอ่ะบางทีคุณทําหน้าดุๆหน่อยก็ได้เออ ก็ต้องจับต้องมีหูทิพต้องฟังเสียงตัวเองว่าไอ้ที่พูดไปตอนเนี้โกรธหรือเปล่าต้องจับให้ได้คนอื่นฟังเนี่ยเขาก็ฟังไปถ้าคนถ้าคนอื่นเขามีหูทิพด้วยก็อาจจะฟังออกว่านี่นเสียงอย่างเงี้ยโกรธแล้วแต่บางทีมันก็ไม่แน่บางทีบางคนเสียงดังแต่ว่าเขาไม่ได้โกรธอะเออบางคนก็ไม่ได้โกรธ เสียงดังแม้ว่าบางคนหน้าตึงๆก็อาจจะไม่โกรธนะแต่ว่าหน้าอย่างยี่มีมาแต่เกิดมันตึงมาตั้งแต่เกิดแล้วแต่ว่าโดยใจเข า, าจริงๆบางทีเขาไม่ได้โกรธจริงๆเพราะฉนะนอั น, น้นมันก็ไม่ตายตัวทีเดียวแต่ว่าอันนี้ต้องยอมรับว่าคนเขาก็ต้องมองจากภายนอกอใช่ไหมเขาจะไปรู้ใจเราอย่างไรอ่ะถ้าคุณหน้าเข้มๆคุณหน้าตึงๆคุณพูดดุๆ โอ้โหเขาต้องว่าโกรธแหละต่อให้คุณเป็นพระอรหันต์มาเขาก็ต้องว่าโกรธเงี้ยเพราะเขาไม่รู้เนี่ยคุณเป็นพระอรหันต์จริงหรือเปล่าเขาไม่รู้อ่ะแต่เขาก็ดูจากภายนอกอ่ะยิ่งถ้าเขายิ่งเขาไม่รู้แล้วเขาไม่ศึกษาแบบเนี้ยเขาเป็นแค่ปุถุชนอ่ะก็คนปุถุชนเนี่ยก็วัดกันด้วยไอ้สภาพแบบนี้อยู่แล้วเพราะงั้นเขาเห็นอาการแบบนี้เขาก็ต้องสรุปตูมลงไปทันทีเลยว่า อย่างนี้คือโกรธเขาไม่ไม่ไม่มาลึกซึ้งอะไรด้วยอะด่าเอาบุญหรือว่า <c oughs> อะไรอย่างงี้เขาไม่รู้ด้วยกับคุณนะนะเผลอๆเขาไม่เพียงแต่ไม่นึกว่าด่าเอาบุญน่ะก็จะอัดกลับให้ด้วยนะอะอาจจะเบียดเบียนอาจจะทําร้ายเราเอาเลยนะเพราะฉนั้นเอาวันนี้เนี่ยจริงๆรายละเอียดมันถึงบอกว่ามันเยอะมากเลยเรื่องพูดเนี่ยถ้าพูดไปแล้วโหรายละเอียดมันมาก แต่อยากจะฝากเป็นแง่คิดใ น, ในเรื่องของการพูดว่าวจีสุจริตเนี่ยพยายามไปสังเกตดูให้ดีสิว่าทุกวันเนี่ยเราพูดวจีสุจริตได้ไหมเนี่ยในสข้อนี้แล้วเราห้ามปากเราเนี่ยให้พ้นจากวจีทุจริตได้ไหมไปสังเกตดูส่วนวจีที่เป็นสาระเนี่ยนะมันจะอยู่ในวจีสุจริตนั่นแหละ ถ้าสมมุติมมว่าคุณสามารถที่จะมีวจีสุจริตได้เนี่ยคุณก็ไม่ต้องห่วงอล้เดี๋ยวเดี๋ยวสาระหรือว่าอะไรต่างๆมันก็จะตามมาเพียงแต่ว่าอันนี้เนี่ยไม่เคยเห็นเท่านั้นเองว่าเออจะมีพผู้ญาติจะตัดไปถึงว่าวจีสาระเป็นอย่างยงนี้พูดประเด็นนี้ขึ้นมาเพื่อให้เราชัดว่าวจีสุจริตของเราเนี่ยถ้าคุณพูด ไปได้แล้วเนี่ยคุณจะมีศีลสมาธิปัญญาแล้วก็วิมุตตเกิดขึ้นในวจีสุจริตนั้นนี่นนี่คือเป้าหมายที่อยากจะให้คุณรู้ว่าถ้าคุณมีวจีสุจริตจริงเนี่ยนะถ้าคุณทำได้จริงเนี่ยคุณจะวิมุตตได้ด้วยการพูดนี่แหละคุณสามารถจะมีวิมุตตได้แต่ในทํานองเดียวกันถ้าคุณไม่ระวังคุณไม่มีสติ คุณพูดไปแล้วนี่คุณไม่สามารถมีศีลเกิดขึ้นคุณไม่สามารถมีสมาธิกเกิดขึ้นในการพูดคุณไม่มีปัญญาเกิดขึ้นในการพูดไม่ต้องไปพูดถึงวิมุตต์ใช่ไหมคราวนี้แหละเมื่อไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเกิดขึ้นแล้วหมายความว่าคําพูดของคุณ น, นั้นน่ยคุณลงนรกคุณได้นรกทันทีเลย นะั่นละคำพูดนั้นแนหะที่เราพูดพูดพูดพู ด, พดอยู่ไม่มีศีลไม่มีศีลกากับนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยฝากฝากฝากเอาไว้ให้ให้ชัดเจนเราจะได้รู้ความชัดเจนได้ได้มากขึ้นมันจะทําให้เราระวังในการพูดได้มากขึ้นเอาวันนี้คงพอเท่านี้นะ